ตอนเย็นลูกเนลูกศินก็ไปที่เมนมากลัวไหมเมื่อวานไม่กลัวลครับเอไม่กลัวนเทครับผมไม่กลัวผมเ็บเอาก็ถือว่าเก่งนะเพราะว่าเห็นบัคโฮเดินเท้าเปล่าแล้วก็ไม่มีไฟฉายใช้ถือเทียนไปหลวงพ่อตอนเด็กยังไม่ได้ฝึกแบบนี้เลยก็ถือว่าได้ฝึกกัน เมื่อกี้หลวงพ่อโนต้ตก็พาเรานำสวดมนต์ปงสังขารกับอธิสงการเจริญเมตตาเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปคุยหลวงพ่อมเขียนเรือ่องความกลัวหลวงพ่อมเขียนเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเนี่ยเจริญเมตตามากเลยทําให้ไม่กลัวอะไรไปอยู่ในถ้ำคนเดียวต้องหลายวันหลวงพ่อเอากินแต่กล้วยในถ้ำที่หลวงพ่อมเขียนอยู่เนี่ย มีงูเหลือมตัวบอเลอร์เลยตัวใหญ่ๆมากบางทีหลวงพ่อก็ไม่กลัวมานะหลวงพ่อแผ่เมตตางูเหลือมเนี่ยกลางคืนบางทีก็โดดเลือ้อยกินพวกขังคาวหรือสัตว์ในนั้นะ่ะดังตึงตึงหลวงพ่อเขี้ยก็อยู่ได้อยู่กับงูเหลือมยักษ์ได้เพราะหลวงพ่อท่านมั่นใจในควาเมตตางั้นเราก็ต้องมาฝึกเรื่องการเมตตาให้มากๆวันนี้หลวงพ่อก็จะเล่านิทานให้ลูกเรียนฟังหลายเรื่องก็มีสาระด้วยตลกด้วย เรื่องแรกจะเล่าเรื่องไม่บอกชื่อดีกว่าถ้าบอกแล้วลูกนี่จับทางเรื่องได้ไม่สนุกมีชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าหมูเป็นคนที่ชอบกินเนื้อลิงมากแกชอบกินแกงลิงเมื่อสมัย40ิปีห้าสิปีก่อนนู้นน่ะป่าในประเทศไทยเนี่ยหาลิงง่ายลิงก็อยู่เป็นฝูงเลยในหมูก็ถือปืนออกล่าลิงเดินไปสักพักหนึงก็เจอลิง หันหลังให้อยู่บนต้นไม้แกก็เล็งปืนแล้วก็ส่องดังตุ้มเสียงดังมากแต่ว่ากแกก็แปลกใจเอ๊ะทำไมลิงไม่ตกจากต้นไม้เพราะขนาดนั้นในหมูเนี่ยเป็นคนที่ยิงปืนแม่นมากไม่น่าจะพลาดสักพักหนึ่งลิงตัวนั้นก็ร้องเสียงล่านป่าฝูงลิงร้องกันล่านป่าเหมือนกันเสียงแบบชวนเฮ้ยหัวนมาก สักพักหนึ่งลิงก็วิ่งมาที่ลิงตัวถูกยิงแหละลิงตัวนั้นก็โยนวัตถุดำๆให้แล้วก็หล่นลงมาที่พื้นในหมูก็เดินเข้าไปดูลิงตัวถูกยิงผลปรากฏว่าลิงเนี่ยตายคาที่แต่ก่อนที่ลิงจะตายเนี่ยลิงได้โยนลูกให้ตัวอื่นไปดูแลเพราะลิงขณะที่โดนยิงเนี่ยกำลังให้นมลูกอยู่ ถึงหาหลังให้ไงคือลูกลิงกำลังกินนมแม่อยู่ถ้าแม่ลิงเนี่ยถูกยิงแล้วตกลงมาเลยเนี่ยลูกลิงก็อาจจะอันตรายอาจจะตายด้วยได้ก็เลยฝืนทนความเจ็บปวดเพื่อลูกอะ่ะจนถึงที่สุดแล้วเพราะว่าพบเพราบทพาระเรื่องลูกแล้วก็ถึงยอมตายอันนี้คือความรักของแม่ที่มีต่อลูกความเสียสละปกป้องลูกด้วยชีวิตของตัวเองในหมูเนี่ย เห็นภาพดันแล้วรู้สึกสะเทือนใจมากอดีตเนี่ยเคยยิงลิงตายมาหลายตัวน้ําตาห้อยไหลน้ําตาไหลแล้วก็ร้องไห้แล้วก็นําปืนเนี่ยเอาไปเผาไฟแล้วสัญญาว่าจะไม่ยิงลิงอีกหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงในหมูนี่ก็คือพงเทพประโรชนานนักร้องชื่อดังนักร้องเพลงเพื่อชีวิตนอดีตไปอยู่ป่าเป็นคอมมิวนิสต์แม่ลิง เปลี่ยนหัวใจคนใจหินให้เป็นคนใจอ่อนได้ด้วยความรักที่มีต่อลูกเรื่องต่อมาไม่บอกบอกผูกเดี๋ยวเดาเรื่องออกนี่เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องลออ้อมีชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าชิดชายคนเนี้เป็นคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นคนจิตใจโหดร้ายวันหนึ่งแกตากเนื้อไว้ที่บ้านพเพอเนี่ยวันนั้นเนี่ยแกมาตรวจ ด, ดูเห็นเนื้อหายไป มองไปก็เห็นหมาตัวนึงหมาขี้เลือนเดินเดินอยู่ถานนั้นแหละแล้วแกก็เห็นที่ปากของหมาเนี่ยข้ามเนื้อด้วยเนื้อที่แกตักไว้อะในชิดโมโหมากฟ้าไม้ได้ก็วิ่งตามแล้วไล่ตีตีไปที่หัวของหมาขี้เรื้อนเนี่ยจนหัวเขาหลกแล้วเลือดออกทางต า, งางลงไปชักดี่ชักงอพอแกเห็นหมาแน่นิ่งไปแล้วเนี่ยในชิดยังไม่ไปหายโมโห เขตั้งใจว่าจะต้องเอาเนื้อหมาตัวเนี้มาทำเป็นอาหารด้วยจึงเดินกลับบ้านไปไปหาหมีดหาเครื่องมือมาสักพักหนึงแกก็มาถึงอ้าวเห็นหมาหายไปแล้วแกก็เดินตามเดินตามไปสักพักหนึ่งเดินตามร้อยเลือดอะ่ะก็เห็นหมาเห่าแล้วก็เห็นหมาที่เลือตัวที่แกตีอะ่ะนอนพังงาบพังงาบอยู่แล้วก็มีลูกหมาตัวเล็กๆน่ารักห้าตัวกําลังกินโนมแม่อยู่ปากมันก็ยังคาบ ชิ้นเนืออยู่เลยสร้างความสังเวชใจให้กับในชิดมากเลยในชิดก็เดินเข้าไปดู ใ, ใกล้ตอนนี้แกไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นหมาตัว น, นั้นเป็นหมาที่เลื้ยแล้วก็เห็นว่าเป็นแม่ผู้ยิ่งใหญ่เป็นหมาที่รักลูกด้วยชีวิตอะ่ะคือห่วงลูกต้องการนำอนำอาหารเนี่ยมากินเพื่อจะได้มีมีนมให้ลูกในชิดสะเทือนใจมากนะน้าตาไหลแล้วลูกหมา ก็วิ่งเข้ามาหาในชิดแม่หมาก็บอกในชิดด้วยสายตาวิ่งวอลให้หนมลูกเขาสุดท้ายในชิดก็พูดว่าขอโทษแม่หมาก็สิ้นลมอย่างสงบและในชิดก็นาําลูกหมาห้าตัวเนี่ยไปเลี้ยงแต่ก็ตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกคือเปลี่ยนเป็นคนดีเลยไอ้นนี่หมาที่เลือนเปลี่ยนหัวใจคนใจดําให้เป็นคนดีถ้าถึงวันแม่ในชิดก็กราบแม่ เมื่อก่อนเนี่ยแม่สอนอะไรในชิดในชิดไม่เชื่อเลยพอ ต, ตอนนี้ในชิดก็บอกให้แม่สอนอย่างที่เคยสอนอีกครั้งหนึ่งสร้างความพื้นปิติกับแม่เป็นนันมากอนุภะของความรักเนี่ยสามารถเปลี่ยนหัวใจคนใจร้ายให้เป็นคนใจดีได้เปลี่ยนทิศสายคนสองเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องอ้อโบกแม่ลิงแล้วก็หมาที่เลื้ยนเปลี่ยนหัวใจคนใจร้ายต่อมาก็จะเล่าดิทานให้ลูกเรียนฟังตลกไว้ดางหลังเมื่อกี้อาจารย์โน้ตได้สวด ไอ้นนสงการจะเลยเมตตาเราก็ต้องเป็นคนที่เมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกชีวิตของเราเน่ยจึงมีความสุขช่วยนคนอื่นคนอื่ก็ช่วยเราเราเกลียดคนอื่นเคาอื่ก็เกลียดเราเราสังเกตนะแล้วเราเราเนี่ยเป็นคนใจดีช่วยเหลือนคนอื่นอะ่ะคนอื่ก็ใจดีกับเราคนที่ให้ความสุขก็มักจะได้ความสุขตอบคนที่ทําร้ายคนอื่นบิดเป็นคนอื่นก็มักจะได้สับตูแทนมีแต่คนเกลียดมีแต่คนดา่าชีวิตนี้หาความสงสุขสงบสุขยาก มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าน้อยได้แต่งงานอยู่ในครอบครัวของคนจีนไม่นานเนี่ยน้อยก็เข้ากับแม่ผัวไม่ค่อยได้โดนแม่ผัวเนี่ยพูดเหน็บแนมหรือประชดประชันอยู่ตลอดเวลาคือทธาตุไม่ตรงกันเคมีเข้ากันไม่ได้ก็อยู่กันแบบไม่มีความสุขอะแรกๆ ก, ก็ทนเอาตอนหลังก็เริ่มเกลียดขึ้นเกลียดขึ้นเมือ่อความเกลียดสะสมมากเข้า น้อยก็วางแผนต้องทำอะไรสักอย่างแล้วจึงไปหาลุงที่ขายยาสมุนไพรแล้วก็เล่าเรื่องเราต่างๆให้ลุงฟังแล้วก็ขอยายาพิษเพื่อจะมาวางยาแม่ผัวให้ตายให้แบบคนหูคนตาทีลุงของน้อยก็บอกว่ายาอะมีอยู่แต่เธอต้องทำตามเงื่อนไขนะน้อยด้วยความอยากกำจัดแม่ผัวก็ตกลงลุงก็บอกว่ายาเนี่ย เธอจะต้องนาไปใส่ในอาหารให้แม่สามีเธอทานนะโดยใส่วันเว้นวันเพื่อไม่ให้คนสงสยัยแล้วเธอต้องทำคฟามฟดีดอแม่สามียุงมากด้วยเช่นเวลาแม่สามีดุดาว่าอะไรก็ไม่เถียงแล้วก็เอาใจช่วยเหลืองานบ้านทุกอย่างเพื่อจะได้ไม่ให้คนสงสัยเวลาเธอตายไนงะขอยทำตามเงื่อนไขนี้น้อยกระลับปากขันกลับมาถึงบ้านเธอก็เริ่ม นำยานะใส่เป็นอาหารหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วกใกรแม่สามีทานวันเว้นวันแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือน้อยมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองคือเอาใจแม่ผัวแม่ผัวจะดุดาว่าหรื อ, อยังไงเธอก็ไม่แสดงกียาอะไรการที่เอาใจบ่อยๆทัศนคติของแม่ผัว ก, กับน้อยก็เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนไม่ชอบขี้หน้าตอนนี้ก็เริ่มรักน้อยเหมือนลูกตัวเองแล้ว เพื่อนบ้านมาก็บอกเนี่ยลูกสะภ้ายคนเนี้ยดีจังเลยขยันทําการบ้านเป็นคนเรียบร้อยเอาใจเก่งน้อยก็พลอยมีความสุขไปด้วยเพราะได้รับคาชมและธนักขัต่อ น, น้อยก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วจากที่เคยเกลียดแม่ผัวตอนนี้ก็เริ่มรักเหมือนแม่ตัวเองแท้ๆแล้วเธอก็เริ่มหนักใจกลัวว่าเดี๋ยวยาพิษจะออกฤทธิ์แม่ผัวจะตายเธอจึงไปหาลุงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้ลุงทราบลุงเธอก็บอกว่า ยาที่ให้ไปเนี่ยไม่ใช่ยาพิษหรอกเป็นยาบำรุงยาพิษที่จริงอะ่ะก็คือยาพิษในใจของเธอแหละถึงตอนนี้อะ่ะได้ได้รับการชำะล้างด้วยความรักแต่เธอก็เปลี่ยนไปยาพิษที่ไรแ้แรงคือยาพิษที่จิตใจของเราเองความเกียรติความมาคาดเราให้ความสุขคนอื่นคนอื่นให้ความสุขเราทิฏฐานเรื่องนี้ก็จบอนิฏฐานเรื่องต่อมาพระอินทมีหน้าที่ ดูแลสวรรค์ช้นดาวดึงแล้วก็ดูแลทุกสุขของโลกมนุษย์เป็นงานหนักมากพระอินทร์ก็รู้สึกเบื่อเบื่อนายอยากจะพ้นตำแหน่งแต่คนที่จะมาทาหน้าที่เป็นพระอินทร์ได้ก็ต้องมีคุณธร ร, รมขั้นสูงเลยจะต้องเป็นคนที่ไม่เห็นกก่ตัวไม่มีความโลภพระอินทร์จึงลงมายัางโลกมนุษย์และแปลงกายเป็นชายหนุ่มเพื่อจะทดสอบ ว่าในโลกนี้มีคนที่ไม่โลภเหมาะสมกับตาแหน่งพี่อินไหมเป้าหมายแรกของพระ อ, อินก็คือมาที่วัดมาหามัคทายกมัคทายกของวัดส่วนมากเนี่ยจะเป็นผู้ที่ใฝ่ธรรมไงเป็นคนธรรมะธรโมไหว้พระสวดมนต์รักษาศีล่งหลังจากคุยกับมัคคุชายกแล้วรู้สึกถูกคอพี่อินก็ก่อนจะกลับเนี่ยก็นําก้อนหินไม่เล็กๆเน่ยแล้วเศษให้เป็นทองคา แล้วก็ให้มัคคายกแล้วใช้หน่มที่พระ อ, อินทร์ปลอมก็เดินจากไประหว่างทางที่พระ อ, อินทร์เดินอยู่นั้นน่ะมคคายกกะตะโกนวิ่งไล่หลังมาก็คือกระหอบ ม, มาเลยบอรอดเดียดเด๋ยวรอเดี๋ยวพระอินทร์ก็สงสัยรออะไรแกขดหินมาเพียบเลยอยากจะมาให้พระ อ, อินทร์ช่วยเสกให้เป็นทองคาพระ อ, อินทร์จะใส่หัวเอื้อมละอาแล้วไม่ยอมเสกให้พระ อ, อินทร์ปลอมทดสอบคนแล้วคนเล่า ก็มีแต่คนมาขอให้เสกทองให้ก้อนใหญ่ขึ้นจนเริ่มหมดหวังท้อแท้แล้วว่าคงจะหาคนดารงตาแหน่งพระ อ, อินไม่ได้ทำท่าจะกลับขึ้นสวรรค์แล้วระหว่างทางเดินผ่านป่าแห่งหนึง่ง mm. เห็นฤสี mm. กํำลังนั่งสบาที่อยู่พระ อ, อินก็เข้าไปทักทายแล้วก็คุยกันตามประชารัยแล้วก็ดูท่าทางฤศีคนนี้แหละคงใช่เลย ระบสังีวยดูท่าทางจะไม่โลภพีก็ลองทดสอบด้ก่อนโดยเศกก้อนหินไป่ต้องคขามให้ฤาษีก็ไม่สนใจบอกเราตัดแล้วซึ่งทางโลกพี่อินก็เศกก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นฤาษีก็ไม่สนใจจนตอนหลังเนี่ยพระอินก็เลยเศกภูเขาแถานั้นให้เป็นทอคำหมดเลยฤาษีก็ไม่เอาอีกพี่อินก็โอ้คนที่ใช่แน่นอนเลยที่จะดำรงตำแหน่งพระอินต่ออย่างเรา พายินถามอีกครั้งหนึ่งแล้วท่านต้องการอะไรกันแน่หรือสีอึ้งวนสะพักหนึ่งแล้วค่อยตอบว่าเราอยากได้นิ้วชี้ของท่านนิ้วชีท้ที่ทําให้เป็นทองคํำอะ่ะพายินที่กุมเขาหมับเลยแล้วก็เหาขึ้นสวรรค์ไม่เดียวหลังกลับมาอีกเลยอันนี้ความโลภของมนุษย์ได้เท่าไหร่ก็ไม่พองั้นพวกลูกเนรก็ต้องดูดูใจตัวนี้นะความโลภเนี่ย ทำให้คนลำบากบางทีหาเงินมามากมายตลอดชีวิตเพราะเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ต้องควรหาอาหารให้จิตใจบ้างเพราะกิเลสเนี่ยมันจะให้เราหาอะไรมากๆไม่รู้จกพอบางคนตายไปไม่มีโอกาสใช้เงินก็มีปีนี้คนตายไปเกือบสี่พันคนแล้วอุบัติเหตุบนท้องถนนเดี๋ยวสงการแล้วคงจะตายเพิ่มอีก นี่ขนาดไม่มีใครฆ่านะตายด้วยความประมาทบนถนนเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้น ท, ทุกวันหรือคนที่ตายจะปเป็นเราก็ได้พวกลูกเรนก็ไปพิจารณาความตายมาแล้วเราต้องไม่ประมาทนะความตายไม่มีอายุเด็กไอ้ตายก่อนผู้ใหญ่ก็ได้หนุ่มสาวอาย่าตายก่อนผู้แก่ก็ได้กําหนดไม่ได้เลยอายุก็อย่าประมาทอย่าเพลิดเพนให้มากอเล่าดุทานต่อมีหญิงชลา ย, ยู่คนหนึ่ง ตอนนี้แก่มากแล้วเธอเป็นคนจีนในบ้าน ใ, นใครเรียกว่าอา마อา마เนี่ยเวลาร่วมทานอาหารกับลูกหลานและลูกสะภ้าเนี่ยมือแกยสั่นแล้วทําให้ข้าวเดือดหกเลือดเธอลูกสะภ้าไม่ไม่พอใจอา่ามากเลยเพราะลูกสะพ้ายหลังเกียดอาม่ามองว่าอา่าเนี่ยทําข้าวหกเลือดเธอโต๊ะเนี่ยทําให้เธอแบบเสียใจเอียนกินไม่ค่อยลง ก็เลยปรึกษาสามีสามีก็ยังไม่ไม่อยากทำร้ายจิตใจอาม่าก็เลยยังไม่ตัดสินใจอะไรก็ทะเลาะกอันอยู่เรื่อยจนในที่สุดสามีก็ตัดสินใจให้อาม่าเนี่ยแยกโต๊ะไปทานเองต่างหากโดยให้ใช้ชามเก่าๆชามตาไก่ชามบินๆทุกๆอะ่ะพอม่าเนี่ยทำชามแตกบ่อยเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวข้าวหกเพราะมือสั่นมือคนแก่สั่นอาม่าหลังจาก ไปทานอาหารคนเดียวเนี่ยเธอก็รู้สึกเสียใจรู้สึ ก, กว่าอับหลังเนี่ยที่เคยดีต่อลูกชายเธอรักลูกเสมอมาตอนที่เธอยังไม่แก่เนี่ยเลี้ยงดูลูกช่วยเหลือลูกทุกอย่างแต่พอแก่แล้วลูกกลับมาทำกับเธออย่างนี้แมกจึงน้อยใจแล้วก็เป็นที่สังเกตของหลานชายหลานชายจีเข้าปรึกษามา บอกว่าตัวเองเนี่ยมีวิธีทำให้อาม่ากลับมาร่วมทานอาหารเหมือนเดิมขอให้อาม่าเนี่ยทำตามแผนนะอามาก็อยากรู้ว่าหลานเนี่ยหลานตัวน้อยเนี่ยจะมีแผนไงจึงถามหลานชายก็บอกว่าแหม่าเนี่ยแกล้งทําชามตกแล้วก็จะรู้เองคือปล่อยให้ชามหลุดมืออะแล้วเย็นวันนั้นระหว่างที่รับประทานอาหารเย็นเนี่ยอาม่าก็ปล่อยชางหลุดมือดังเพ้งข้าวเพื่อกระเด็นหมด ลูกสะพ้ายลุกขึ้นยืนทำท่าจะว่ามาไอหลานชายตัวน้อยรีบตะโกนว่ามาก่อนอนมาม่าทำยี้ได้ไงเนี่ยทำชามแตกหมดเลยแล้วตอนวันหลังเนี่ยหนูจะเอาชามที่ไหนให้แม่เล่าลูกสะพ้ายได้ยินดังนั้นเนี่ยสะดุดใจขึ้นมาเลยโอ้โหลู ก, ล, กลูกของเราเนี่ยวางแผนจะให้แม่เนี่ยกินชามมกเก่าตอนแก่เธอจึงรู้สํานึก แล้วก็ไปเรียกอาม่าเนี่ยมาทานะรวบโต๊ะเหมือนเดิมนิทานเรื่องนี้ก็จบลงด้วยความสงบสุขของครอบครัวพู้ลูกเนรที่บ้านก็คงมียายมีอาม่ามีคนแก่อโกงอาม่าเนี่ยก็เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อมาก่อนเคยแข็งแรงคนแก่ก็ต้องร่างกายเสื่อมโทมลงแแหละเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวว่าหลังลูกเนลูกศรก็ต้องแก่เ้าเห็นคนแก่ไหมคนแก่เนี่ยผมหงอกหลังค่อมเดินก็ไม่ค่อยจะไหว บางทีเดินจะหกล้มชีวิตก็ค่อนข้างลำบากอะ่ะทุกคนต้องแก่ไม่มีใครหนีความแก่พ้นเลยตอนนี้ลูกเรยยังเด็กอีกไม่นานก็แก่เพราะฉะนั้นเราต้องเมตตาต่อคนแก่เมตตาพ่อแม่ช่วยได้เราต้องรีบช่วยเพื่อทําให้ท่านมีความสุขไม่น้อยใจเราอ่ะนิทานเรื่องต่อมาที่วัดแห่งหนึ่งมีขอทานคนหนึ่งเข้ามาขออาหารขอทานคนนี้มีขนข้างเดียว มาเจออาจารย์เซนทึ่ไม่เจ้ า, าวาดอาจารย์เซนก็ชี้ไปที่กองก้อนหินหน้าโรงครัวบอกให้ช่วยย้ายหน่อยย้ายมาข้างหลังโรงครัวขอทานก็ไม่ให้อพอใจบอกว่าถ้าท่านไม่ให้เราไปขอที่อื่นก็ได้ทําไมต้องมาใช้ทํางานด้วยเพรารู้สึกตัวเองมีแขกข้างเดียวไงอาจารย์เซนจึงมายกหินให้ดูโดยยกหินทีละก้อนทีละก้อน ทำเป็นตัวอย่างอะ่ะว่าคนแขนเดียวก็ยกยกหินได้ด้วยความหิวขอทานก็ขนหินนั่นแหละขนสักพักใหญ่ก็สามารถขนจนหมดกองได้หลังจากขนหินหมดกองแล้วอาจารย์เซนก็มอบเงินให้ขอทานก็คงพอสมควรอะ่ะขอทานดีใจมากเลยนะเพราะไม่คิดว่าจะจะได้เงินไงขอบคุณแล้วขอบคุณอีกอาจารย์เซนก็บอกไม่ต้องหรอกอันนี้เป็นค่าแรงจากน้ำพันน้ำแรงของเธอ แล้วก็กราบลาอาจารย์เซนไปอีกไม่นานก็มีขอทานมาขออาหารอีกอาจารย์เซนก็ชี้ให้ขนก้อนหินจากหลังโรงครัวไปหน้าโรงครัวอีกแต่ขอทานคนนี้ไม่ยอมขนเดินจากไปเฉยเลยแต่ก็สร้างความแปลกใจให้กับลูกศิษย์ที่อยู่ใน ว, วัดยิ่งถามอาจารย์ตกลงอาจารย์จะเอาหินไปไหนกันแน่ระหว่างหน้าโรงครัวหลังโรงครัวอาจารย์บอกว่าหนนินไม่สําคัญหรอกจะอยู่หน้าโรงครัวหลังโรงครัว ที่สําคัญคืออยู่ที่ขอทานจะยอมย้ายหรือเปล่าตั้งหากการเวลาผ่านไปก็มีชายคนหนึ่งแต่งตัวภูมิฐานเข้ามาที่วัดในอดีตชายคนนี้ก็คือขอทานแขนเดียวนั่นเองมาถึงข้นข้อกาบกาบอาจารย์เซนแล้วก็บอกว่าตนเองเนี่ยตั้งแต่วันนั้นที่ได้เงินไปเนี่ยรู้สึกเห็นตัวเองมีคุณค่าจึงเลิกขอทานแล้วไปทํางานที่ตรงออกับความสามารถที่แขนเดียวทําได้ เลียงตัวเองโจนแบบมีฐานะขึ้นมาจึงรู้สึก ข, ขอบคุณอาจารย์มากที่ชี้นําทางสว่างมาให้แต่ส่วนขอทานอีกคนหนึ่งก็จะขอทานเหมือนเดิมเรื่องนี้มีแง่คิดนะคนเราเนี่ยจะต้องเห็นคุณค่างตัวเองเขารบตนเองและพึ่งพาตนเองบางทีคนที่ไปขอทานเนี่ยก็อาจจะไม่เขารบศักดิ์ศรีตัวเองอะ่ะต้งยอมไปขอทานบางคนขอทานตลอดชีวิตเลยอย่างที่หลวงพ่อพูดไว้วันก่อนแหละที่เป็นผู้ให้กับผู้รับอ่ะ คนไม่ค่อยอยากเป็นผู้ให้เพราะผู้ให้เราเสียอลากเป็นผู้รับนี่รับอย่างเดียวแต่คนที่ให้มีความสุขกว่านะอะนิทานเรื่องต่อมาได้อีกเรื่องสองเรื่องเรื่องสันส้นๆชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังปรึกษาหมอที่ค i d n e กแข่งหนึ่งเรื่องปัญหามีแก๊สในกระเพาะอาหารมากเกินไปหมอเห็นไหมเนี่ยผมหายลมลู ก, กี่ครั้งแล้วมันไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียงแต่ผมรู้สึกรำคาญมากหมอนั่งฟังแล้วก็ด้วยสีหน้าที่ไม่ปกติสักพักหนึ่งชายหนู่ก็หายลมอีกหมอก็ทำหน้าตาแบบอธิบายยากอะ่ะเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นสักพักหนึ่งหมอก็ไปหยิบยามาให้ แล้วก็เขียนฉลากแล้วบอกคุณเอายาเนี่ยไปรับประทานยาหมดแล้วกลับมาหาหมอใหม่นะอ่ะช้หนุ่มก็กลับบ้านไปอาทิตย์นึงผ่านไปชายหนุ่มก็โบยวายที่หมอหมอเอายาไรผมกินเนี่ยเมื่อก่อนนะผมตดไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงตอนเนี้ยตดมาเนี่ยเหม็นบันไยเลยเอายาไรผมกินหมอก็หัวเราะ อืการรักษาของหมอเนี่ยได้ผลมาค ร, ครึ่งหนึ่งแล้วได้ผลการรับรู้เรื่องกินต่อไปจะต้องรักษาเรื่องเสียงต่อไปหมอก็จ่ายยาให้ใช้หนุ่มต่อนิทานเรื่องนี้ก็จบคือช้หนุ่มคนเนี้ยที่จริงแล้วตดก็เหม็นตดเสียงดังด้วยแต่แกไม่รู้ไงแกไม่รู้ตัวแกเองคือปัญหา คือพยายามจะกบเกิดปัญหาจะพวกลูกเรนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาบวชเรนเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยให้เรารู้จักตัวเองนะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงกันหน่เราเป็นเด็กดือ้อเราเป็นคนขี้โมโหเป็นคนไรใจตัวเองเป็นคนแบบน้อยใจขี้ฉาเป็นคนโลภคนเห็นแก่ตัวหรือเป็นคนยังไงกันแน่นิสยัยถ้าเราไม่รู้นิสัยตัวเองเนี่ย เราจะแก้ไขตัวเองไม่ได้นะนิสัยเราจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องรู้รู้จักตัวเองก่อนบางคนไม่รู้จักตัวเองทั้งชีวิตเลยเหมือนเหมือนชายหนุ่มคนนี้แหละที่ว่าตดไปแล้วตดแล้วก็จะคิดว่าไม่เหม็นนิสัยเรื่องนี้หลวงพ่อชอบนะเพราะว่าสอนให้รู้จักตัวเองแก้ไขตัวเองอย่างเมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อเล่าเรื่องเทวดากับนอน์น่ะนอนนอนมาอยู่ในส้วโบราณเนี่ยก็ก็จะกินแต่ขี้ แต่เขามีความสุขนะคือหนอนจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเทวดาเลยที่ว่าอยู่ในโลกทิพย์อยู่กับสิส่งสวยงามคือเขามองมุมเดียวงเวลามีคนไปชวนให้ไปอยู่สุขสบายก็ไม่เชื่อก็เหมือนกับคนที่กินเหล้าติดอับยาุกต่างๆเนี่ยชีวิตจมปากกับเรื่องพวกนี้วันแล้ววันเล่าหรือคนทำความชั่วพวกโจรป้นจี้ หรือเบียดเบียนคนอื่นคนโกงอะไรพวกนี้นเขาก็จะมีความสุขของเขานะเขาไม่รู้ว่าจะมีสิ่งที่ดีกว่ามีสิ่งที่มีความสุขจากการไม่เบียดเบียนอย่าหลงผอเพือพ่อท่าได้แต่งกอนไว้หมู่นกจ้องมองเท่าไรไม่เห็นฟ้าถึงฝูงปลา ก, ก็ไม่เห็นน้ําเย็นสยใสไสเดือนมองไม่เห็นดินที่กินไปหนอนก็ไม่มองเห็นคู่ที่ดูดกินคนทั่วไปก็มองไม่เห็นโลก ต้องทุกโศกหุดหงิดอยู่เป็นนิจศิลป์ส่วนชาวพุทธประยุทธาธิมตามราบินเห็นหมดสิ้นทุกสิ่งตามจริงเอ่ยอย่างพวกลูกเมมาบวชอยู่ว่าป่าสุกโตเนี่ยก็มีพี่เลี้ยงมีอาจารย์โน้ตมีมีหลวงพ่อมีคนรุ่นนี้มาพูดทําให้ฟังมีพี่เลี้ยงให้ความรู้อยู่เรื่อยแม่ฉีก็ให้ความรู้คนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือบางทีก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รับการเรียนรู้ ก็เหมือนกับคนที่ไม่เห็นโลกกันแหละมองไม่เห็นโลกตามความเป็นจริงถ้าเราเห็นโลกตามความเป็นจริงเห็นว่าเราเนี่ยจะต้องมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีเสเสอือมียินทาใต้โลกธรรมเนี่ยแปดประการเนี่ยทุกคนต้องเจอแล้วเราท ำ, ทำใจไงจะไม่ให้ทุกข์เวลาสูญเสียเวลาเจอโลกธรรมฝ่ายลบอะถ้าเจอโลกธรรมฝ่ายบวัวอย่างมีลาบอะคนก็ชอบ มียศคนก็ชอบมีสุขคนก็ชอบมีสารเสริญคนก็ชอบอันนี้ด้านบวกนะจะเจอโลกธรรมด้านลบเนี่ยต้องเสียเงินโทรศัพท์หายถูกคนรักทิ้งพ่อแม่ตายหรืออะไรที่สูญเสียจะทำใจยังไงหรือเสือเส่อมยศเสื่อมยศแบบว่าโดนลดขั้นถูกไล่ออกจากงานเจออะไรที่แบบเงินเดือนลดหรืออะไรที่ว่าน้อยลงอะ่ะ คนไม่นับหน้าถือตาแล้วเราจะทำใจยังไงแล้วก็เจอคนดินทาต่างๆเนี่ยเรารับได้ไหมในโลกนี้ไม่มีใครไม่ดินทาหรอกไม่มีใครไม่โดน ด, ดินทาแ ม, แม้แต่แม้พเจ้าแล้วคนเราก็มีทุกข์เยอะแยะหมดเลยนะทุกข์เนี่ยทุกกายทุกใจย่างลูกเนี่ยนั่งฟังหลวงพ่อนานเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ต้องไปค้องน้ำไปยืดเสนยืดสายนอนมากก็ทุกข์ กินมากก็ทุกกินมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกนอนมากก็เบื่อเล่นเกมมากก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เซง็งงั้นชีวิตก็ต้องมีความสมดุลก็ อ, อยู่กับโลกธรรมให้เป็นถึงจะมีความสุขหลวงพ่อพูดมานี่ก็เห็นว่าสมควรกับเวลาสุดท้ายนี้ก็ขอให้ลูกเนรลูกศิลป์มีความสุขความเจริรในธรรมยิ่งขึ้นไปเอ้วังก็มีด้วยประการเชนี้